กร牟ทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายประูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องโทนสูตรคือสูตรที่ว่าในเรื่องของโทนัพรามคราวหนึ่งเราเจ้าเสด็จไประว่างเมืองอุกัทะกับเสตปยะนคร ปรากฏว่าคณะของโทนพรามเดินตามพระพุทธองค์ไปก็มีพระประสงค์ที่จะโปรดท่านพราหม์ก็ได้ทรงแสดงรอยพระบาทเอาไว้บนเส้นทางที่โทนพรามจะผ่านโทนพรามเมื่อเห็นรอยพระบาทของพระเจ้าก็เกิดความค่องใจสงสัยว่าโดยเท่านี้เป็นรอย รอยท้าของใครจะรอยจะเป็นรอยเท้าของเทวดาไม่ใช่รอยท้ามนุษย์แน่นอนท่านติดตามไปพบพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งโดยการประทับคู่บัลลังหรคือนั่งสมาธิทุลพรหามพอเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ตรึก เอวุฒิลักษณะที่มีความงดงามมีความสง่า ม, มีความสงบแสดงถึงการเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกปลืออบรมมาอย่างสมบูรณ์ก็รู้สึกศรัทธาเรื่องสายเพิ่มปูนขึ้นก็คิดว่าท่านเหล่านี้คงเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นประาหันก็เป็นอะไรก็ไปดู แล้วก็เข้าไปกราบทูลถามว่าท่านเป็นเป็นเทวดาหรือพระเจ้าบอกไม่ใช่เป็นพรหมหรือก็บอกไม่ใช่เป็นคนทันหรือก็บอกก็ไม่ใช่หรือว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่โทนพราหมณ์ก็สงสัยว่าถามมาเป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างเนี่ยแล้วท่านเป็นอะไรกันแน่พระเจ้ารับสั่งเป็นนักปราศผู้กันักปราด รับสั่งว่าอาสวะอันใดที่เป็นเนธหยเป็นเทวดาเป็นพรมเป็นคนทันเป็นมนุษย์เราทำลายอาสวะเหล่านั้นหมดไปแล้วว่าเราจึงไม่ได้ชื่อว่าเป็นอะไรเราทรงอุปมาว่าเหมือนกระดอกปัวที่เกิดมาจากกอปัว แล้วก็ยกดอกตัวเองรอดพ้นไปจากน้ำจากโคลนตรมไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโคลนตรมอีกต่อไปก็จะเรียกว่าอย่างไงคือไม่มีสีมีกลิ่นมีอะไรอย่างดอกพวยเด็บก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างยา ก, ก น, นะะต่อการทำความเข้าใจเป็นแนวอย่างหนึ่งที่ผู้จาใช้ในการเผยแผ่ศาสนา เราตั้งปัญาถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าต้องมีวิธีการตรงนี้เราต้องมองย้อนไปถึงยุคที่แจกพระบรมสารีกระธัดพระโธพรามณคนนี้มาแก้ปัญหากรณีปิพาทที่แย่งพระบรมสารีกระธัดก็เป็นพยานที่ยังรู้อนาคตพอพระองค์นิพพานมีปัญหาแน่เรื่องประทานแต่ว่านาวิจะเอาใครมาแก้ปัญหาตรงนี้ มีบุญญาบารมีเป็นครูบาอาจารย์ของคนทั้งหลายที่พูดแล้วเนี่ยคนอื่นก็ฟังซึ่งว่าที่จริงไม่ค่อยไม่ค่อยจะง่ายนักนะะก็ทรงเห็นว่าคนนี่แก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็คือโทนพราหมณ์โทนพราหมณ์จะนอกจากจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วจะสันเริญพระพุทธคุณ ถึงร้อยในพันหนแล้วจะรับผลในการฟังธรรมะคราวนี้เพราะฉะนั้นเจตนาตรงนี้เป็นการเจตนาเสด็จไปโปรดโดยเฉพาะยังเคยต้องกาสังเกตในท่านทั้งหลายฟังว่าเวลาพระเจ้าเสด็จไปทํางานใหญ่ๆเนี่ยไปโดยลําพังถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากเวลาไปโปรดโจนองกลีมานเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดจะไปโดยลําพังโปร่งเอง จะไม่พาภิกษุไปก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเน้นไปนทางอิติปาฏิหาริย์แล้วก็เจาะจงเฉพาะคนนั้นคือไม่ต้องการในคนอื่นไปยึดติดในแนวอิติปาฏิหาริย์ต่อสงเริ่มต้นด้วยการไปแสดงรอยพระพุทธบาทไว้ รอยประบาทของพระพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าตามปกติเวลาเหยียบลงบนพื้นดินเนี่ยเนื่องจากทรงมีผิวละเอียดมีกําลังมากแล้วเวลาเหยียบเนี่ยมันเบาคล้ายๆกับท่านบอกว่าเหมือนกับเหมือนกับม้าชานายที่วิ่งเร็วคือเหมือนกับเกือบจะไม่เหยียบไปเลยไม่ทิ้งรอยเอาไว้เพราะว่นพอเหยียบแล้วรอยมันก็เลือดหายไป แต่ทามาทำไมเป็นเช่นนั้นก็โดยเหตุผลในสองประการประการแรกก็คือไม่ต้องการให้คนอื่นไปเหยียบทับรอยเพราะจะเป็นบาปแก่คนโลดนันตอนนี้เป็นลักษณะของประมาะกรุณานะคือบางอย่างเนี่ยเรามองไม่ออกว่าทำไมจะต้องทำอย่างนั้นแต่มันเกิดด้วยประมาะกรุณานะ พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้อนุเคราะห์โลกแล้วโลกไม่จําเป็นจะต้องนับถือพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์คนทุกคนปัญการกระทำอันใดที่ป้องกันไม่ให้เกิดบาปแก่คนเราอื่นได้ก็ต้องทําอย่างเราสังเกตว่าจะไม่ค่อยแสดงปาฏิหาริย์หรือแม้ในแนวนี้จะไม่ค่อยมีบ่อยๆนักเนื่องเวลาทําลงไปเนี่ยเชิญสมมติแสดงอิทิปาฏิหารมันจะมีคนเป็นสามกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือศรัทธาเลื่อมายอยู่แล้วจะศรัทธาเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ศรัทธาเรื่อมใสแต่ว่าจิตใจไม่แข็งกร้าวเกินไปในพอเห็นปาฏิหาริย์ขึ้นก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสแต่คนทีน่จิตใจกระด้างหยาบช้านั้นจะต่อต้านและจะด่าวา่าพราะพุทธเจ้าแสดงกฎเรียกมายากฎก็มีคนกล่าวหาพระุทธเจ้าสมัยนั้นว่าเรียกเป็นมายาวีก็ามายาวีก็าาาาาาคือมายากฎบ้าง พระพุทธเจ้านั้นมีอาวัตตนีมายาอย่างที่เคยพูดในเรื่องของอุบาลีวาทสูตรอาวัตตนีมายาคือมลกลับใจคนแล้วบางครั้งก็เรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีมลที่เรียินดามณีจินดามณีอาวัตตนีมายามายาวีเนี่ยเป็นชื่อของของศาสตร์ในสมัยนั้นแล้วก็ใช้การเล่นกลการเล่นกลคล้ายๆกับปลูกม่วงเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเคยปลูกม่ว ง, งนียเยอะ ยมกปฏิหารปลูกมะม่วงคันทามาพรึกปั๊บเดียวก็โตเป็นห้ากิ่งมหาศาลลูกเต็มต้นหมดเลยแต่จะปลูกม่วงในวนี้ที่พวกเล่นโกนแขกเล่นโกนก็ปลูกได้นะเพราะฉะนั้นมันมั น, ม, นมันจะมีลักษณะที่สร้างปัญหาหรือความเครียดแคล ง, งสงสัยคนเราไม่ชอบมันก็หาเรื่องพูดอีกเรื่องหนึ่งแล้วจะเป็นบาปแก่คนเราหนึ่งเป็นบาปแก่คนกลุ่มนี้เพื่อปกป้องคนกลุ่มนี้ไว้พระเจ้าจะไม่ทำ แต่ไม่ค่อยแสดงปาฏิหารดังนั้นจึงจึงมีข้อสังเกตว่าเวลาแสดงปฏิหารคนจึงไม่ค่อยมีจะเจาะจงคนนั้นไปโปรดองค์ุลิมาลก็แสดงปฏิหาร น, นะนะ อ, องคุลิบาลไล่จะสุดฤทธิ์เลยก็ไล่ไม่ทันก็จริงก็ปฏิหารเป็นนิติปาฏิหารแต่ว่าองค์ุลิมาลก็เห็นคนเดียวพึ่งจงงต์อัศจรรย์นคนเดียวเวลาถามเมื่อพูดอีกเรื่องหนึ่ง พูดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหยุดบาปมาหยุดบาปไม่จะหยุดเดินนะเขาถามหยุดเดินมาหยุดเดินนะผู้เจ้าพูดถึดงหยุดบาปมาหยุดบาปเพืพ่อตอบคนละเรื่องเลยคือไม่ต้องการจะพูดเรื่องปฏิหารแต่ต้องการจะเสริมสร้างกิจสํานึกปาฏิหารจึงเป็นอุบายเป็นอุบายอยู่ีชีในการฝึกพุทธเวทนยอย่างหนึ่งธนั้นเด้งแต่ไม่ใช่ตัวเนื้อตัวมันนะนะฮะมันเปเนื้อตัวของศาสนาเพียงแต่ว่านามาใช้ในบางโอกาส รันรอยพระพุทธบาทจึงปรากฏในที่ต่างๆไม่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าที่สระบุรีก็รอยพระบาทที่พระบาทตาข้าก็รอยพระบาทมันจะอย่างนั้นนั่นนะฮะนั้นเป็นพระบาทจําลองนะเป็นพระพุทธบาทจําลองพระพุทธบาทก็คือคือรอยเท้าที่อาจจะธรรมดาธรรมดานี่นะฮะก็เท่าคนธรรมดาธรรมดา จะปรากฏในกรณีที่ส่งมุ่งจะให้คนเหล่านั้นได้เห็นที่เคยเล่าเรื่องมาคันดยาพรามที่พระเจ้าเหยียบรอยเท้าไว้ให้ดูตรงนี้ก็เหมือนกันคือเหยียบรอยเท้าไว้ให้ดูท่านโทนัพรามนั้นเป็นพรามมหาศาลเป็นพรามขนาดจานร่ารวยมากมีลูกศิษย์ถึงห้าร้อยนะไปหน่อยเป็นบริวารเป็นกรุง ม, มหาศาล เพื่อพา อ, อาภรในท่านบอกบอกไว้บางคนแสดงถึงฐานะาบางครั้งร่ารวยนะก็ค่อนข้างจะเป็นคนขี้โออยู่ล่ะแต่พอมาเห็นรอยพระบาทเนี่ยมันจากความรู้ในมหาปริศลักษณะแต่ไหมความรู้ในมหาปริศลักษณะก็เกิดปรากฏว่ไม่ใช่รอยเท้าคนธรรมดารอยเท้าคนอย่างนี้ไม่ใช่รอยเท้าคนธรรมดาแต่ท่านคิดไปอีกเรื่องหนึ่งว่าอาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นพรหม อาจจะเป็นคนทันคนทันนี่ไปในอากาศได้นะฮะคนทันเป็นเทพระดับจาตุมาราสจะสามารถไปในอากาศได้เป็นฤทธิ์สำเร็จโดยกําเนิดแบบนกบินได้นะฮะแล้วก็เข้าไปกราบทูลธรรมเราจะเห็นว่าเป็นอุบายวิธีเป็นเป็นภาพพจน์จำนวนปัจจุบันเขเรียกว่าภาพพจน์แล้วมีอิทธิพลแรง รสชาเนี่ยมาหมุนวิทยุหมุนกลับไปกลับมาลองเช็ครายการดูนะฮะเป็นเรื่องน่ากลัวเรื่องภาพวิทยุใช้พดแรงเล่นสปลกรัฐบาลทุกวันไลยน่ากลัวนะฮะพดมันสร้างกันเป็นภาพพูดจนเป็นภาพนะปูดพดพดเนี่ยพูดจนเป็นภาพคล้ายๆกันเล่าเรื่องผีจนคนลุกเลยจับไข้อ่ เห็นไหมโพสนี่สร้างโพสขึ้นเป็นภาพคนเกิดจินตนาการร่วมมีมีอารมณ์ร่วมรัวผีนอนจับไข้เลยพูดรุนแรงเข้าราวากันไปเราจะต้องต้องมองด้วยความเป็นจริงว่สาสพกที่จริงมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันแก้ปัญหาให้แก่สังคมเริ่มจริงๆริงมาแก้ปัญหาแต่สังคมทีนี้คนมันลูกเล่นเยอะแล้วก็พี่น้องเราเนี่แหละก็ลูกเล่นอย่างนั้นแะละคนไทยนีย่แหละก็ลูกเล่นอย่างนั้น ที่จริงเขต้องการแก้ปัญหาเป็นเจตนาดีที่คิดมาตั้งนานแล้วนะฮะ ค, คิดเรื่องจะปฏิรูปที่ดินมันคิดมาตั้งนานแล้วต้องการจะแก้ปัญหาความยากจนราษฎรไม่มีที่ทากินต้องเจ้าที่เขานินทีนี้มันมันมันปัญหามันอยู่ที่ภาคปฏิบัติซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจากลูกเล่นของคนที่มีลูกเล่นนั่นนะ ราษฎรบุกลุกชีพไม่มีที่จริงๆนะที่บุกลุกเนี่ยแกไม่มีที่จริงๆแต่พอบุกลุกไปแล้วปรากฏแรงเงินในการดำเนินการมันไม่มีนายทุนก็ไปกว้านซื้อแกก็ขายพอขายเสร็จอันนี้ก็บุกลุกต่อนายทุนไปกว้านไวเป็นพันๆแล้วจะไปยึดเข้ามาหมดทั้งพันได้ยังไงก็คนไทยเหมือนกันนั่นคือการแก้ปัญหาในเบื้องแรกแต่มามาเล่นแรงเกินไปอ่ะเล่นแรงเกินไปจนในที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลแล้วมันเป็นเรื่องสร้างอารมณ์ร่วมเราจะเห็นเป็นภาพผล เรีนแมาภาพพจนวิธีการตรงเนี้ยก็คือวิธีการทำภาพพจเหมือนกันแต่เใช้ไปในแนวสร้างสรรค์ภาพครั้งแรกก็คือรายท้าลายพระบาทเป็นภาพแล้วก็ภาพไปถึงประทับนั่งสง่าองค์อาจสงบเย็นแพร่ธรรมรังสีเข้ามาสัมผัสได้ความคิดเดิมนี่เห็นแลยโอ้โหคนนี้ต้องฝึกผ่านการฝึกตัวมาอย่างดีมันมันมันมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นใครไม่รู้แต่นั้นเองก็คล้าย ๆ, ๆกับ พระสารีบุตรที่ไปเห็นพระอัจฉริย์มาภาพเดียวกันแต่พระอาาัจฉรินั้นเป็นภาพของตัวท่านพระเจ้านั้นเริ่มที่ภาพรอยพระบาทพอไปเห็นภาพประทับนั่งสง่างามองค์อานสยบนะฮะเกลียวสยบคนได้ถามพรวดเดียเป็นเทวดาเลยนะไม่ใช่าถามเป็นคนก่อนนะะ ถ, ถามเป็นเทวดาเลยเดียถามว่าเทวดาหรือเปล่าไม่ใช่ถามว่าเป็นพรหมหรือเปล่าไม่ใช่ เป็นคนทันเราไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่แล้วเป็นคนหรอือเปล่าไม่ใชน่นี่คือคดใช้คดเพื่อสร้างกระตุ้นความสนใจแกสนใจอยากรู้ว่าเป็นใครเจ๊ม่ะฮะเจ๊ม่ะฮะเป็นวิธีการในจิตวิทยาในการเรียนการสอนนั่นแหละเป็นการกระตุ้นปลูกราวความสนใจเธอสนใจเถิ่นสนใจก็ต้อ ง, ต, องต้องเจาะให้ลึกกว่านั้นเป็นพูดให้เป็นปรัชญา ผู้ดใดเป็นประจักาขึ้นมาเพื่อเสริมให้คิดแล้วเพราะว่าโทวนภามท่านเป็นนักปราศพูดภาษาธรรมดาธรรมดาไม่ได้เห็นไหมพดไม่สมศักดิ์ศรีไม่ผมศักดศรีของผู้ฟังนะเพราะต้องอต้องดูศักดิ์ศรีของคนฟังว่าคนฟังเนี่ยเป็นขนาดไหนคล้ยๆกับไปบรรยายวิชาการให้ครูบาอาจารย์ฟังนะมันต้องพูดีภาษาหนึ่งพูดีภาษาหนึ่งพูดเป็นสูตรเป็นหลักไปเลย ไม่จําเป็นจะต้องมาอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าผู้กับเด็กเราพูดอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องพูดอีกแบบหนึ่งนะพูดอีกแบบนึงนี่ก็คือก็คือวิธีการเป็นอุบายวิธีในการเทศต้องการให้เหมาะสมสดคล้องกับผูกปัญญาของพระตอนนี้จะเทศแล้วนะฮะจะเทศแล้วเพื่อรู้จักพระองค์ดีขึ้นก็ทรงสแสดงว่าที่จริงความเป็นทั้งหลายในโลกเนี่ยมันไม่เป็นจริงสักอยากนะ่างนึง มันไม่มีอะไรเป็นจริงเป็นเรื่องของความสมมุติและอะไรเป็นตัวสมมุติขึ้นก็คือกิเลสเป็นเหตุได้มีการสมมุติขึ้นคนดีๆกันเนี่ยไปไหนมาไหนการนั่งดื่มเหล้าการขัดคอกันนิดเดียวถูกกําหนดให้เป็นศัตรูแล้วถูกกาหนดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูลุขึ้นต่อยกันเลยฆ่ากันเลยความเป็นศัตรูมันเกิดมาจากโทสะโทสะเป็นตัวกําหนดว่าคนนี้เป็นศัตรูก็เธอนั่งกินเหล้าด้วยกันเนี่ยนะเป็นศัตรูกันได้ยังไงก็ก่อนนั้นมันเกิดความรัก เห็นมะความเป็นเพื่อนฝูงนี่กำหนดว่าเราเป็นเพื่อนฝูงกันต้องลงว่าตรงนี้ใจมันกําหนดเอาทั้งหมดเลยเราไม่ได้เป็นอะไรจริงสักอย่างเนเป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติแล้วก็กําหนดหมายเป็นลักษณะทางอารมณ์ของคนเพราะในที่นี้จึงส่งใช้แต่วการใช้นั้นได้โปรดสังเกตว่าไม่ได้ใช้คําว่าอาสวะเสมอไปหรอกตรงนี้ใช้อาสวะ ลึกนะฮพูดเรื่องอาสวะนี่พูดลึกเพื่อพูดกับโทนพราหมณ์อย่าลืมมาพูดกับโทนพราหมณ์ใช้คําทับลงไปเลยว่าอาสวะเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็อธิบายเป็นเ ป, น เ, ป, น เ, ปนเป็นเรื่องแปลกที่ว่าพูดสั้นๆเนี่ยโทนพราหมณ์เข้าใจแสดงว่าเก่งมากทั้นกันนะฮะอาสวะหมายถึงกิเลสที่สะสมอยู่ภายในจิตใจของเราคำว่าอาสวะเป็นภาษาที่เป็นรู ป, ปรธรรมเป็นน้ําดองนะอาสวะก็คือเครื่องดอง ดองอะไรล่ะพลาสวะดองผลไม้ปุภาสวะดองดอกไม้ก็ดองอะไรก็ไปรู้นะดองกิ่งดองใบก็ได้ทั้งนั้นแล้วก็แล้วแต่จากอาอบาดองนะนะเป็นอาการดองคือการหมักหมมสะสมของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเครื่องดองเนี่ยฮะถ้าดื่มไปจะเมาให้เราตั้งเจตนะฮะจะจะเมาขิงดองก็เมานะอะไรก็เมานะลองดื่มไปเจอะ มันมันมันแสดงให้เห็นถึงว่าลักษณะการสะสมของกิเลสเนี่ยก็ไปถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดเป็นอาการเมาอะเมาด้วยโลภะเมาด้วยโทสะเมาด้วยโมฆะอะไรต่อะไรมันเมามันมันมันเพิ่มพูนขึ้นทีนี้อย่าลือมาอัศวะก็เป็นภาษาเรียกเท่านั้นเองเป็นที่รวมของสัพปกิเลสทางหลายเพียงแต่ว่าตรงนี้จะสื่อสารในภาษาอะไรกับคนกลุ่มนี้เข้าใจ เราได้พูดเรื่องสังโยชน์กันมานะฮะโดยลําดับปีกว่าอะไรยังไม่จบเลยก <c> ็ <oughs> เราจะเห็นว่าสังโยชน์ที่จริงก็คืออาสวะแต่ทำไมสังโยชน์นับเป็นสิบอาสวะนับเป็นสี่กิเลสที่จริงมันเกาะกลุ่มเหลือนิดเดียวน ะ, ะทําไปริตามาเหลือแค่วิชาตัวเดียวหรือแค่วิชาตัวเดียวแต่นั้นเองโลภโทสะมันก็มาจากอาวิชาที่เราโลภ ก, ก็เพราะเราโง่ ที่เราโกรธ ก, ก็เพราะเราหลงนะที่เราโกรธ ก, ก็เพราะเราหลงที่เราโลภ ก, ก็เพราะเราหลงถ้าเราไม่หลงเราก็ไม่โลภไม่โกรธเดี๋ยวท่านั้นเองพูดถึงอาสวะนั้นเพราะว่าภูมิบัญญาของผู้ฟังนะภูมิบัญญาของท่านท่านโทนพรนะเนียท่านท่านเป็นนักปรารถใจเห็นรองเท้าปั๊บก็เห็นแล้วไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะมันไม่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเพรา ะ, ะนนรางั้นคําสอน คำพูดจึงลึกอาสวะก็คือหนึ่งการมาสวะอา์สวะคือกามจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นวัตถุสิ่งของคือลักษณะอารมณ์โลกทั้งปวงเนี่ยนะฮะอารมณ์ที่เราได้เห็นได้ยินในสุนทูมได้ริมได้จับต้องถ้าเรียกวัตถุกรรมจริงๆมันก็เป็นในที่มันเป็น น, นะนะมันก็แล้วแต่แต่ถ้าใจเราไม่มีกิเลสภายในคือไม่มีกิเลสกามอยู่ภายในสิ่งนั้นมันก็เป็นไม่ไม่เป็นวัตถุการสมบัติรับ มันเป็นสําหรับใครที่มีความพอใจในสิ่งเหล่านั้นนะคล้ายๆกับน้ําหอมจากบารีดอย่างดีมันเป็นวัตถุกรรมของใครเอามาให้แตมาไม่เอ า, านะ <c oughs> คือเราต้องมาเราไม่ไม่เป็นวัตถุกรรมพวกน้ําหอมน้ำอบอะไรแต่อะไรเราไม่เป็นวัตถุกรรมมันเป็นวัตถุกรรมสําหรับคนกลุ่มหนึ่งแต่นั้นเองนะให้โยงแก่ๆงี้ก็ไม่เอาเรียนนะฮะ มันก็อยู่ที่ใครเท่านั้นเองมไม่ไอยู่ที่ใครเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นเป็นอะไรพื้นวัตถุกรรมจริงๆโดยสภาพแล้วมันก็เป็นสัจเตวารูปเห็นไหมสักเตวรูปสัจเตวเสียงสักเตวขื่นสักเตวรสสัจเตวสัมผัสใครจะกําหนดยังไงมันก็อยู่ที่การกําหนดของค น, งคนเหลนะ่านั้นถ้าเขามีพื้นฐานเก็บความรู้สึกไว้ด้วยอํานาจความรักใคร่พอใจเขากําหนดด้วยความรักใคร่พอใจเราลองมองดูค่ายๆกินอาหารนั่นนะ กินหานบนโต๊นี่เห็นได้ชัดเลยอร่อยไม่อร่อยนี่พูดไม่ถูกเลยอะไรอร่อยไม่รู้ถามใครว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพื่อเดียวกันคนหนึ่งบอกอร่อยแล้วเกินคนหนึ่งไม่กล้ากินเลยนะบางทีพวกล่าพวกลู่นี่กินได้วปากแดงเชื่อเราไปเห็นนะแหมคลื่นไส้จะแย่เลยฮะเพื่อนเขาอร่อยเลยเห็นไหมฮะมันไม่ใช่วัตถุ ก, กรรมจริงมันไม่ใช่วัตถุกามจริงะ ที่เป็นวัตถุกรรมก็เพราะว่าใจเรามีกิเลสเท่านั้นเองถ้าใจเราไม่มีกิเลสตรงนั้นสําหรับเราก็ไม่เป็นวัตถุกรรมในตรงนั้นแล้วลักษณะตรงนี้ท่านาหลายสังเกตได้นะฮะแม้แต่ท่านเดินทางสรรพสินค้าถ้าไม่อยากได้ทุกชิ้นหรอกเราสังเกตจิต ด, ดูนะฮะเราไม่อยากได้ทั้งหมดโฆษณาฆโฆษณาควังเฉยๆเราไม่อยากได้ทําไมมันเราไม่มีวัตถุกรรมเราไม่มีกิเลสกรรมจุดนี้นะะจุดเนี้ยเราไม่มีกิเลสกรรม แต่ที่มันยุ่งยุ่งคือเรามีกิเลสกรรมในจุดเดือดพระอรหันตพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่มีกิเลสกรรมทุกจุดท่านจึงเป็นแบบดอกบัวดอกบัวเนี่ยมันไม่แปดเปื้อนด้วยอารมณ์ของโลกดอกบัวไม่แปดเปื้อนด้วยน้ํำด้วยฝนตกเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าอาสวะก็คือสิ่งที่เก็บสะสมหมักหมมอยู่ภายในใจ ไม่มีเชื้อคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับเชื้อหวัดนะสมมติเราเชื้อหวัดเนี่ยแม้จะฝนตกเราเดินไปกลางฝนให้เราสังเกตว่าทุกคนสบายนะะบางคนเนี่ยสบายกระปรีก้กรเป่าหรือสดชื่นแจ่มใสเลยเดินกลางฝนเนี่ยบางคนซึมๆไปเลยบางคนจับไข้เลยเฮะมันก็อยู่ที่เชื้อข้างในมันไม่อยู่ที่ตกฝนเพาะฝนก็ถูกด้วยกันเนี่ยนะฝนก็ถูกมาด้วยกัน ทำไมคนหนึ่งก็ปรีก้กระปล่าวทำไมคนหนึ่งซึมซึมทำไมคนหนึ่งจับไข้เลยเพราะมันอยู่ที่เชื้อข้างในไม่ได้อยู่ที่ตัวฝนข้างนอกนั่นอยู่ลักษณะของวัตถุกรรมเราเห็นได้ชัดมากนะฮะดังนั้นเราจึงพบว่าคําสอนบางอย่างเนี่ยที่ใช้กคมศัพิ์ว่าใช้กคำศัพิ์ว่าผ่านมาก็ผ่านไปถามมาได้ไหมทําได้ไหมที่จริงทําได้ เราทำได้เป็นจำนวนถ้านับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาว่าทำได้มากกว่าทำไม่ได้อย่างลองดูว่าเราออสมมุติเราเปิดหนังสือโฆษณาดู น, นะโฆษณาเยอะที่เราสนใจจะน้อยกว่าที่เราไม่ใชจะน้อยกว่าที่เราไม่สนใจเห็นไหมเมื่อวานไปเจอหนังสืออะไรหนังสือเล่มบนเริ่มไปเปิดดูข้างล่างเนะน่ยอะไรเว้นอะไร ราคาแพงกระดาษอาร์ตอย่างดีราคาก็แพงเราเปิดดูมันไม่เห็นมีอะไรเล่มต้องเบอรเริ่มเปิดรวดเดียวหมดเลย <c oughs> แล้วไม่สนใจทั้งอย่างนี้ <c oughs> มันไม่เป็นวัตถุกรรมสำหรับเราแต่เป็นของจองคนอื่นมันไม่ใช่หนังสือพระเนี่ยไม่ใช่หนังสือพระที่พระจะต้องไปซื้อไปหาไปสนใจอะไนั่นคือคือคื อ, คอลักษณะที่เราเห็นได้ชัดว่าปัญหาใหญ่มันอยู่ที่ตัวในมันไม่ได้อยู่ที่ตัวข้างนอก พระพุทธเจ้าเองท่านก็อยู่ท่ามกลางอารมณ์อย่างนี้แหละมันไม่ไม่ได้ไม่ได้หนีอารมณ์ไปไหนเพียงแต่ว่าพระไทยไม่มีเชื้อเขาเรียกวัดดับโดยไม่มีเชื้อพราดับไม่มีเชื้อมันก็ไม่มีอะไรเหมือนเราไม่มีเชื้อวัดอนี้ว่าเนี่ยฮะมีเชื้อวัดอยู่เราถูกฝนเราก็ก็ปีกกระเป่าตอนที่เพื่อนถูกฝนแล้วก็จับไข่เนี่ยเราก็ก็ปีกกรเปล่าไปประการต่อไปนั้นคือภาวะอาสวะคือพบพบนั้นจะมีอยู่สองอย่างนะฮะ ลักษณะอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกความรู้สึกเป็นนั้นเป็นนี้เป็นนนะภพบคือความมีความเป็นนะพบคือความมีความเป็นเป็นลักษณะของอะไรละ่ะเป็นลักษณะของความโลภความโลภคืออยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันแบบแบบแบบเนี้ยแบบภาวาตาะาวาตนนาวาันหานะฮะภาวะตันหาเป็นอาการกองภาวะตันหานี่ ให้เราสังเกตว่าเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นเป็นเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยพอใครปฏิเสธความเป็นเร า, เ, ราเกิดโทสะเห็นไหมเกิดเกิดโทสะสมมุติว่าเราไปในที่ใดที่หนึ่งเรารู้เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างเงี้ยคนต้องต้อนรับเราให้มีศักดิ์ศีอย่างเงี้ยนะพาไม่มีศักดิ์ศีไม่สมกับที่เราคิดเราเป็นเราจะโกรธเลยเป็นสมมุติอัตารยาลมใหญ่มากนะไปในที่หนึ่ง เพื่อนก็เอาน้ำดื่มใส่หลอดมาวางปับ๊บไปโกรธทันชีเลยแล้วน้าดื่มขวดนั้นแล้วเอาไปใส่แก้วอย่างดีปิดฝานะฮะใส่กีมาอย่างดีระวังกินได้ไหมน้ำดื่มขวดเดียวกันนะั่นแหละเห็นไหมเปลี่ยนที่ใส่แต่เองกินได้แล้วนั่นลักษณะของของรู้สึกว่าฉันเป็นนะ่ะรู้สึกฉันเป็นเธอต้องตอบสนองว่าฉันเป็นอย่างนั้นนะถ้าฉันไม่เป็นอย่างนั้นฉันโกรธนะเห็นห ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังว่าเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยพระเจ้าทรงวางมาเลยยศโสฬาธรรมะเยะได้ยศจะเมานะถ้าเมาตกนรกนะคือมันเลวกว่าเดิมเลวกว่าเดิมเราได้ยศเนี่ยเพิ่มกิเลสเพิ่มตันหาเพิ่มมานะเพิ่มทุติเพิ่มอาหางการเพิ่มมังการขึ้นมาเพราะงั้นพระเตมีจึงไม่ยอมเป็นพระหมหากษัตริย์เดอนนะพราะต้กลัว แล้วท่านกลัวท่านกลัวสถานะตงเนี้กลัวภาวะความเป็นภายในใจของท่านน่ะความเป็นภายในใจของท่านมันจะเกิดมันเกิดฉันเป็นอย่างนั้นนะเธอไม่ยอมรับฉันเป็นไม่ได้เดี๋ยวก็ปอบุญจิ้นขึ้นเลยตัดหัวเลยนี่คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือสถานที่สถานที่พบพบนั้นเราจะเห็นว่าพบก็คือในอะไรใน ในสังขารแพบเลยปฏไิจจสมบัติก็พบนั่นแหละพบนั้นมันจะมีสองอย่างคือหนึ่งคือความรู้สึกภายในอย่างที่ว่าแล้วมันมันมันจะผูกพันเดียวกับออพื้นฐานที่เป็นความดีความชั่วความรู้สึกเป็นยังไงละ่ะถ้าจิตใจเราสงบดีเราก็รู้สึกเป็นที่ไม่เคยแรงเท่าไรแล้วออยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้เราลองดูภาพที่เราชื่นชมสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสียังไง คือท่านมายึดติดในความเป็นอะยึดติดในความเป็นก็ว่าไปครองบางหลวงเขาในบนไปเทศที่ครองบางหลวงม้ามันแห้งอะม้าไม่น้ํำจตุยาลดเรือเข้าไปไม่ได้ต้องลงเข็นเรือคนเข็นเรือคนเดียวเข็นไม่ไหวสมเด็จลงเข็นด้วยลงเข็นด้วยคนก็เห็นวสมเด็จเข็นเรือท่านบอกไม่ใช่ไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ในอยู่ในเรือท่านชี้ไปที่พัดพัดน่ะ อันนี้ขัวโตอันนั้นสมเด็จอนี้คือคือคือสมเด็จนี่ท่านท่านท่านท่านเป็นคนอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนะอัตมาจําได้เมื่อก่อนสมัยมาเป็นเด็กๆว่าเคยอ่านประวัติของท่านคนสมัยนั้นหาว่าท่านบ้าบ่บ่อนะแต่ว่าคนสมัยรู้ว่านั่นคือสภาพจิตของท่านที่เข้าถึงธรรมพระอาหานท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร พระรยบุคคลเนี่ยท่านมายึดมัน่นถือว่าท่านเป็นอรหารหรือไม่ก็ไม่รู้เลยนะแต่ว่าท่านไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาแต่ลักษณะเราจะเห็นว่าคนธรรมดาเขาก็ไม่ทำคนธรรมดามาต้องนั่งในเรือนั่งในเรือนั่งวางมา้าสมเด็จอยู่ถ้าคืนวางมา้าสมเด็จมันก็ติดอยู่ในคลองบางหลวงนั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนหรอก <c oughs> เห็นไหมฮะมันก็ถึงคราวต้องไปเนื้อหาจริงๆคือต้องไป วันการไม่รู้สึกว่าเราเป็นแต่เราจะทางานในจุดนั้นๆตามสถานะไม่ได้ผูผกพันกับกาเป็นแต่ว่าการการทำงานมันมนก็เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปตามสถานะตามจุดตามกลุ่มตามแนวสับริสธรรมะนะฮะนี่คือคือคือจุดสำคัญว่ามันมันมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากถ้าภาวะตันหามีนะฮะภาวะตัหามีมันก็เป็น การปรุงแต่งขึ้นมาเป็นกิเลสกิเลสมานนะนะกิเลสมานความรู้สึกลบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, โ น, น้นอะไรแล้วก็ก็ให้เกิดเป็นภพคือปรารถนาภพปรารถนาภพก็ภพผู้เรืองเทวดาก็ปรารถนาเป็นเทวดาผู้เรืองพรหมก็ปรารถนาเป็นพรหมนะอย่างสมัยโบราณเนี่ยที่ที่ที่ที่ท่านเล่าถึงเป็นหมาเหมือนเดิมนะฮะ เหล้าถึงหมาอยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นได้เรื่อยเทวดาเป็นเรื่อยคนรุ่ทถายกลับเป็นหมาเพราะว่าในตอนสุดท้ายที่เป็นนั้นนะเป็นจอมปลวกเป็นจอมปลวกสู้ลมไม่ได้นะฮะอธิษฐาน้เป็นจอมปลวกตัวเองก็เป็นจอมปลวกเพราะจอมปลวกหมูมาคุยจอมปลวกก็แพ้หมูอีกละขอเอาชนะหมูมันก็เป็นหมาสิกลับเป็นหมาไม่เอาแล้วเลยก็จบ กลับเป็นหมาเหมือเดิมนี่คือภาวะตัณหาท่านท่านอธิบายเป็นเป็นเป็นระบบความคิดนะอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนู้นอยากจะเอาชนะคนอื่นแทนี้จะแก้ปัญหาที่ตัวเองไม่เอาอยากจะเอาชนะคนอื่นผลทายพอเป็นจอมปลวกก็เริ่มจะแพ้หมูแล้วแล้วก็กลับเป็นหมาเหมือนเดิมโบราณท่านเล่าเป็นเป็นบรรยาวนะเป็นเป็นเยอะแต่ว่าจําไม่ได้ตลอดจำไม่ได้ตลอดเราเป็นจากอะไรเป็นอะไรนี่ก็ท่านเล่ามาเยอะ นี่คือลักษณะของภาวะฐานฐานจิตมันสายมันเล่นไปเรื่อยแล้วก็อยากเป็นในที่สุดก็ไม่สงบแล้วกลายเป็นพบพบแลก็เป็นชาติเห็นไหมฮะชาติมันก็ข้าวชาราพรณะเป็นการลื่นไปแล่นไปเพื่อการหมุนวนมากขึ้นแม้จะหมุนวนช้าลงนะฮะแต่ก็คงยังเป็นการหมุนวน ประการต่อไปนั้นก็เรียกทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นความเห็นที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นว่ามีเราเห็นว่ามีเราว่าเป็นเราจึงได้มีเราเป็นเรามีเราได้นะฮะเราเราะไรๆที่เรียกว่าของเราของเราเราเป็นเป็นตัวเป็นตนของเราหมายความว่ามีตัวมีตนให้เป็นเรารู้สึกว่ามีตัวมีตนให้เป็น แล้วก็เพื่อปลนปลื้มตัวเองตอบสนองความต้องการของตัวเองแล้วก็นิ้นรดดเพื่อได้เพื่อมีโดยประการตา่างๆพระเจ้านั้นท่านตัดทิฏฐิดได้พระโสดาบันนะ่ยนะครับพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านตัดตรงนี้นะ้ทิฏฐิที่รู้สึกหมกมุ่นอยู่ในร่างกายเราจะเห็นว่ายังคนที่ปฏิบัติธรรมอย่างที่เคยลาบระบาดต้นในประจากลางจะอยู่ว ตอนด้านสวรรคตรจะสวรรคตรท่านแยกกายจากจิตออกโมริราจิเดซายหรือว่าสาตรีสาตรีนายกอินเดียนะนายกอินเดียคนเล็กๆกับตัวเล็กๆที่ต่อจากคันธชีต่อจากเนรุคนนี้แม่ๆมพูดเหมือนพระพุทธเจ้าเอ้อพูดเหมือนพระจอมเกล้ามาทึ่งมากเลย ไปอ่านท่านโอ้โหเก่งจังเลยจิตท่านท่านท่านพูดเหมือนประจงก็ท่านแยกกายจากจิตได้เลยร่างกายปวดก็ปวดไปแต่ท่านไม่ปวดใจไม่ปวดคือยกจิตขึ้นเหนือกายเห็นไหมฮะเราก็ดูทําไมจริงๆแล้วเนี่ยความปวดไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเราไปยึดเป็นทุกข์เวลาคนอื่นปวดเราไม่ เ, เ, เป็นทุกข์ไงเพราะมันไม่ใช่กายเราเห็นไหมเราไม่รู้สึกว่ากายเราเราก็ไม่ปวดเรารู้ รู้สึกไม่เป็นทุกข์อะไรแต่แต้คนคนนั้นเป็นเป็นเกี่ยวข้อง ญ, ญาติเราเป็นเพียอเป็นพ่อแม่เราที่จริงเราไม่ปวดะแต่ใจเราไปเอื้อมขอปวดด้วยพ่อแม่คลางเราก็คลางด้วยทำหน้าซืยิ้วเราคนซสยิ้วด้วยจริงๆงเราไม่ได้ปวดนะเราไม่ได้ปวดแต่ว่าใจเราไปดึงมาไปดึงมารู้สึกว่าเป็นของเราถามดูจริงๆเราไม่ได้ปวดแต่เราเกิดรู้สึกร่วมขึ้นมา มันก็คือลักษณะบันเรืศมาจากทิฏฐิคือเรารู้สึกว่ามีเรามีเราขึ้นมาที่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเราเป็นขันห้าหรือขันห้าเป็นเรารืเรามีอยู่ในขันห้าหรือขันห้ามีอยู่ในเรามนุษย์เอาไม่ออกสักทีหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นทิฏฐาสวะทีนี้จากตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันก็พบความเห็นออกมาในลักษณะต่างๆที่กลายเป็นความเห็นผิดตรงนี้ถือความเห็นผิดนะฮะ เป็นพวกกลุ่มของความเห็้นผิดเพราะอะไรเพราะมันมาจากอาสวะตัวสุดท้ายคืออวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความเห็นผิดโดยประการต่างๆไม่ปฏิเสธบาบุญคุณโทษ อ, อะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มของความเห็้นผิดแต่อย่าลืมว่ามันมีตัวตวนให้เห็นเรารู้สึกว่าเรามีตัวตวนให้เห็นถ้าเราไม่มีตัวตนให้ไปยึดมันก็ไม่มีอะไร อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าทาตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าทําตัวเหมือนโคถึกที่ไม่มีเขาไม่มีเขาก็ไม่พร้อมจะชนกับใครอนะเราจะชนกับใครแล้วใครก็จะชนเราก็ชนไป่ะทําตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดทุลีนะหมายความว่าใครจะเช็ดอะไรก็เช็ดไปแต่ว่า เราไม่เกิดอารมณ์โกรธหรือว่าไม่พอใจในคนต่งางๆเห็นไหมแก้ที่ตัวเองไม่พิเทพพิษแก้คนอื่นวิธีการวุทธาสนานั้นมุ่งแก้ที่ตัวเองเป็นประการทสำคันตัวนี้มันเกิดจากอะไรคือเราไม่รู้สึกว่าเราใหญ่อะไระเขาเรียกยังไงก็ได้หรือเขาไม่เรียกก็ได้เขาเชิญ น, นั่งก็ได้ไม่เชิญก็ได้ก็ไม่ว่าเลยก็เรียกว่าประพฤติเบาประพฤติเบ า, เบาสันละหุกกวุติประพฤติเบากายเบาจิตอยู่ที่ไหนก็ได้ เราไม่ยึดติดในความเป็นนะอย่างแนวที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านท่านทำเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเนี่ยตอนประสบทุกขเวทนามากเพราะท่านป่วยมาเลเรียแรงมากด้วยกลับจากว่ากอก็เล่นเลยมาเรียเล่นเลยนะแต่พอประสบทุกขเวทนาจริงๆเนี่ยท่านแยกกายจากจิตกายเราจะกระสับกระสายแม้กายเราจะกระสับกระสายแต่จิตจกไม่กระสับกระสายถามว่าจิตจากกายเปน็นเดียวกันไหมคนละอันกัน เพียงแต่ว่ามันสัมพันธ์กันมันเป็นปัจจัยของกันและกันถ้ามาแยกได้มันก็แยกได้เรียกว่าแยกกายออกจากจิตได้ไม่ใช่แยกจิตออกจากกายได้นะไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นว่างกายมันก็เป็นอย่างนี้เอวังธรรมโมเอวังเบาเอวังนะัตติโทติโรส่วนๆเพื่อต้องการจะฝึกแยกเอาไว้จะไม่ไปแบกทุกความเดือดร้อนให้มากเกินไปเวลาเกิดประสบปัญหาซึ่งมันก็เกิดแน่นอนนะนะ ตรงนี้มันมาจากอะไรที่จริงมันมาจากอาวิชาสภาวะอาสวะคืออวิชาโลกคือหมู่สัตว์นั้นอวิชาปิดบังเอาไว้ปัญหาทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามมีอวิชาแทรกอยู่ทุกอนูนะทุกอนูของปัญหาทั้งหลายนั้นมีอวิชาทต่เนี่ยแล้วมันก็จะพร้อมเป็นโทูตส์เป็นโลภะเป็นราคะเป็นอะไร ต, ต่างๆมากมายกายกองเป็นดิษยาอาฆาตเป็นความเบียดเบียนเป็นประจุบรนมาจากอาวิชาทั้งนั้น อวิชานั้นคืออะไรท่านทั้งหลายเห็นว่าก็จริงแล้วนี่โลกเนี้ยมันเป็นเป็นเรื่องของเหตุของผลโลกนี้เป็นกระบวนการของเหตุผลไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นทั้งเหตุทั้งผลในตัวเขาหมันะมันขึ้นอยู่กับช่วงไหนเราเป็นเหตุเป็นผลคล้ายๆกันคล้ยๆกับเราเนี่ยนะว่าเราเนี่ยเป็นผลหรือเป็นเหตุก็ไม่แน่ปัญหาว่าพูดกับใครล่ะจะพูดกับพ่อกับแม่เราก็เป็นผลแต่พูดกับลูกเราก็เป็นเหตุ เะมันก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราแต่ว่าเราในในความเป็นเราเราเป็นตั้งเหตุตั้งผลแล้วทุกคนเป็นอย่างนั้นนะฮะทุกคนเป็นอย่างนั้นเป็นกระบวนการของสิ่งเหนั้นคือเป็นเหตุเป็นผลเป็นตั้งเหตุเป็นตั้งผลเพียงแต่ว่าจะไปจับผู้กับอะไรจับผู้กับอะไรตอนั้นในเพราะกระบวนการของเหตุผลเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลัก เมื่อวันก่อนมีเพื่อนเขาจบไปเป็นเป็นอาจารย์ที่ที่ที่ทีประสานมิตรเขามาก็จะทำในทัศการตอนสัปดาห์สงเสริมเนี่ก็บอกว่าเขาประชุมขนาอาจารย์จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็คิดไปเยอะอนะฮะมาบอกเอ๊ะมันผิดกันนะเราเวรนี้คิดธรรมะเหลือนิดเดียวเลยคือ <c oughs> คิดเหลือแค่อริยสัจแค่อริยสัจแล้วนะคือเห็นมีแค่อริยรสัจแต่เองในโลกนี้ไม่อะไรเลยมันเป็นอริยสัจล้วน นะสิ่งทั้งหลายมันก็ขายายไปจากอริยสัจวันที่เท่าไรนะเข้ามานิมนต์ไปอธิบายการปรับพุทธปรัชญาการปรับพุทธศาสนาเพื่อเป็นปรัชญาและจิตวิญญาในการสอนมันเป็นอยู่แล้วมันปรับทําไมหรอมันเป็นอยู่แล้วก็สอนมาตั้งนานแล้วคืออย่างนี้ก็เองพ่งนี้ไปใช้กคำว่าประยุกต์ประยุกหมายความว่ายอย่างไง ประยุกเนี่ยไม่รู้หมายความว่าอย่างไงเหมือนกันนะพูดไปพูดมาไอเรื่องบางเรื่องเขาไม่ต้องประยุกต์มันหรอกมันเสร็จแล้วมสมเหตุสมผลใช้เป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็คือก็คือหลักที่เรียกว่ามาจากอะไรมาจากอาวิชชาคือเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดถึงนั้นคือพูดถึงอะไรกันที่จริงแล้วทั้งหมดเป็นกระบวนการเหตุผลเพรา ะ, ะนั้นอวิชชาจึงไม่รู้ทุกเห็นไหมผลไม่รู้สมุทยัยคือเหตุไม่รู้นิโรธคือปดไม่รู้มรรคคือเหตุ มารู้อดีตอนาคตทางอดีตทางอนาคตนั้นคือเป็นเหตุเป็นผลเหตุกับผลนะฮะอดีตมันก็มีตังเหตุตัณผลอนาคตมันก็มีตังเหตุตัณผลปัจจุบันเองมันก็มีตัณเหตุตัณผลปฏิจจสมบัตินั้นคือกระบวนการของเหตุผลที่สาวทยอยกันไปเหตุทุกอย่างเป็นผลก่อนและเป็นเหตุเป็นผลก่อนเป็นเหตุเป็นผลก่อนเป็นเหตุเหมือนกับมะม่วงผลหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามะม่วงตัวนั้นเป็นผล แต่มะม่งวงนั้นเมื่อเร า, มาเมล็ดเป็นเพราะมันก็กลายเป็นเหตุที่ให้เกิดต้นมะม่งวงสิ่งทั้งหลายจึงมาจากเหตุเห็นไหมคําว่าดวงตายฉันทำผู้เจ้าชาคขันท่านนี้เนี่ยร์ททั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับไปเพราะประสิทธิสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเห็นไหมเป็นกระบวนการของเหตุผลตอนนี้ก็คือพระ คนที่ทําลายความรู้สึกว่าเราเป็นเรามีรู้สึกว่าของเรารู้สึกว่าเป็นเราหรือรู้สึกโราเป็นออกไปได้เนี่ยเพราะท่านทำลายอสวรรตรงนี้พออสวรรค์ตรงนี้ถูกทําลายไปจะจะให้ท่านเป็นอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไระก็ไม่ว่าอะไรพระพุทธเจ้าถึงรับสั่งว่าเราไม่ทะเลาะกับโลกแต่โลกมาทะเลาะกับเราเองเราจะเห็นว่า พระพุทธเจ้ามีคนเรียกเรียกจากกันเรียกอย่างนี้บางทีก็เรียกไม่ดีเรียกไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรนะอย่างนางมาคันดยาที่จ้างคนด่าที่เคยเล่าเรื่องเรื่องนางสาวมาวดีนะฮะจ้างคนด่าที่เมืองกูสัมผีเจ็ดวันในคำหยาบทั้งนั้นไออูดไอล้าไอคนโง่ไอสัตว์นรกไอเปรตว่าสารพัดไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ว่าก็ว่าไปเรื่องของเขานั่นคืออะไรเพราะพระองค์ไม่มีกิเลสเป็นเหตุรู้สึกว่าพระองค์เป็นอะไร ที่จริงพระพุทธเจ้าก็คือธรรมเพราะฉะนามเป็นนี่เป็นเรื่องของการสมมุติให้ลองสังเกตว่าถ้าพูดเรื่องธรรมะแล้วนี่ไม่เอาสมมตินี่มาค่อยใช้เท่าไรหรอกแต่ถ้าพูดถึงการปกครองไม่ได้นะฮะพูดถึงการปกครองต้องเป็นนะนะต้องเป็นเช่นสมมุติว่าพระไม่เรียบร้อยเรียกมาดูนดุเลยนะเรียกมานดุมาอบรมมาสั่งสอนมันีก็ลงโทษแหละนั่นคือการปกครอง พระพุทธเจ้าท่านยังบอกพระอระหันต์ทั้งหลายเนี่ยจิตท่านจริงๆแล้วเป็นโลกุตระแต่ว่าท่านใช้จิตที่เป็นกามาวจรมันเหมือนกับเราเรียนจบเป็นยาอะไรมาเนี่ยแต่เราพูดกับเด็กเราต้องพูดภาษาเด็กนะพูดภาษาวิชาการไม่ได้เห็นไหมเราต้องปรับจิตให้มาติดต่อกับเด็กก็ได้ความรู้ก็คือความรู้อะเก็บไว้ก่อนเอาไใช้ไม่ได้กับเด็กตัวนี้นั่นก็คือก็คือลักษณะของ ของจิตที่ตัดอาสวรตจึงไม่มีความเป็นตามที่บัญญัติกันนะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้พูดในปรมาริสัจจะไม่ใช่พูดแบบสมมติสมมติวต้องมีเรียกชื่อไม่เรียกชื่อมันจะมันจะติดต่อกันได้ยังไงนันก็คือสมมติบัญญตัติแล้วก็เรียกยังไงก็ได้เลยเรียกยังไงก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ให้หมายรู้กันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะ ปัญหาประการต่อไปก็คือว่าโพนพราหมนนั้นตรงนี้เป็นท่านบอกว่าได้สามัญโยพจนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นพราหมคำเนี่ยใช้กอนข้างแปลกสามัญโยพจน์มันนั้นหมายถึงผลจากความเป็นสมณะแต่เราดูตรงนี้ปรากฏว่าผลจา ก, กจิตที่สงบเพราะว่าสมณะแปลว่าสงบหมายความว่าจิต ท, ท่านสงบท่านเข้าใจเหตุผลท่านก็เป็นพระยบุคคลแต่ภาษาในประสูตรที่ใช้แปลก ใช้คำว่าได้สามมัญญูผลท่านโทนพรารมก็กลายเป็นอุบาสก ท, ที่มีความสําคัญคนหนึ่งในพระพุทธศาสนาให้เรามองสังเกตนะฮะมองสังเกตวันก่อนไปไปเจอกับใครเราก็พูดกันพูดถึงคนน่ยนะพูดถึงคนเอามาอาัศใสจันทร์อัศใสจันทร์ความคิดระบบความคิดต่างๆตั้งแต่พราหมณ์อะไรอะไรมานะฮะ ก็จะเห็นว่าพระมณ์เขามองแนวอวตารแนวอวตารว่ามหาเทพจุติแล้วก็มีบริวารเทพในจุติตามลงมาอย่างเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยแรับรามเกียรตินั้นเราจะเห็นว่าผู้สิบแปดมงกุฎทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเป็นพวกมหาเทพทั้งหลายจุติตามพระนารายณ์ลงมาแล้เรานึกถึงพระอรุรสพระราธิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแปดสิบรูปในอัจฉริยะทางนั้นตัวแปดสิบรูปในอัจฉริยะทางนั้น มากันได้ยังไงไม่รู้มาได้ทั้งเจ็ดแปดสิบหกเก่งๆทั้งนั้นปราดศรุ่นทั้งนั้นริเริ่มสร้างสารรค์อะไรแต่ไรไว้จนมาสืบต่อมาปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นผลงานของราชวงศในรัชกาลที่สี่นะบุกเบิกแล้วก็ลูกก็ต่อกันมาลูกก็ต่อกันมาที่ชื่อเป็นเทวดานะชื่อเป็นเทวดาลู่ราการที่สี่แนั้นเวลาทรงกรมเป็นเทวดานะเรียกว่าลู่ราการที่สี่ถ้าทรงกรมเป็นจังหวัดแล้วก็ลู่ราการที่ห้า เป็นอัจฉริยะเป็นอัจฉริยะที่น่าทึ่งมากนั่นก็คือลักษณะของอะไรของคนที่เรียกว่าไมนเหมือนกเทพจุติเหมือนกเทวดานัดหมายมาจุติมาสร้างสมบรรมัติมาอบรมกันท่านโทนพราหมกก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นบุคคลที่ที่พระพุทธเจ้าเลือกไว้หมายความว่าเมื่อพระพุทธเจ้านี้ผ่านท่าโทนพราหมณ์ตายไปก่อนในเสร็จ เกิดสึกแน่นอนเลยแปดนครฆ่ากันแน่เห็นไหมมันแค่คนที่ถูกเลือกแค่คนถูกเลือกพระพุทธเจ้าไปไปไปเลือกเอาไว้แล้วถ้าเรามองจุดนี้ท่านท่านจะเห็นว่ายุคตรงนี้มันมันมันจะมีอ ย, ยู่เรื่อยๆเช่นว่างานตรงเนี้จะเป็นงานของใครใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ในอนาคตต่อไปนะพระเจ้าวางคนไว้แล้วไม่ใช่วางได้จะเพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่นก็วางคนไว้ ถ้าก็วางคนไว้เช็นสมมตราหลังสังฆายนาครั้งที่สองสังฆายนาครั้งสองเป็นปัญหามากไม่น่าเชื่อนะฮะศาสนาพุทธเราเนี่ยศาวรรษนี้ผ่านไปร้อยปีมั่วหมดเลยมีปัญหาทะเลาะกันเป็นเป็นเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาได้ไงชอบทะเลาะนะชอบทะเลาะกันก็พระอรหันต์ทั้งหลายต้องวางพระสองรูปไว้เพื่อเตรียมคนมาต่อ ต่อในระยะเวลาเท่าไรถ้าเราดูแล้วนะฮะเวลามันก็ประมาณสักสองรปีเพราะงั้นชายถึงสองชั่วอายุคนต่อไปก็ให้พระศิวะกับพระจันร์วัชีนี่ท่านท่านเองพระอนาจาร์ทั้งหลายนั้นไปเชิญติดสะเทพบุตรให้จุ ต, ใจติให้จุติลงมาหมายความมาก่อนหน้านั้นน ะ, ะก่อนจะมีการสังกนาเจ็ดิบสองปีเนี่ยให้เทพบุตร จ, จุติซึ่งหมายความว่าพระรูปนี้ก็ต่อไปก็ ต่อไปต่อไปเพียงเพียงเพียงร้อยปีแต่นั้นเองแล้วก็พระยศาสเนี่ยก็เข้าไปพระโมคคะลีบุตรเนี่ยครก็จะเข้ามาแก้ปัญห า, าศาสนาในรบในครบสามร้อยปีแต่มองไปอีกสองร้อยปีมันมีปัญหาอีกล้ศาสนามีปัญหาอีกแล้วเทวพระอาหารหันต์ก็ต้องไปเชิญมหาเสนเทพบุตรลงมาจุติอีกนะจุติอีกไอ้นี่คือคือคือเป็นเรื่องที่แปลก มันมันมีคนมาเพื่อมาอยู่ตรงนี้เพื่อมาแก้ปัญหารตรงนี้ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ต้องถามให้เป็นระบบแลยนะต้องถามให้เป็นระบบว่าไอ้มามาได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคนที่ใคลยๆเลือกคลๆก็ๆเลือกไว้ที่เราจะเห็นว่าศาสนาที่นับถือรพระผู้เป็นเจ้าเขาเชื่อพูดว่าพระเจ้าส่งมาพระเจ้าเลือกไว้พระเจ้าคัดสรรไว้นะวางคนนี้ไว้เพื่อทําตรงนี้ถ้าคนนี้เกิดเป็นปัญหาแล้วนี่แย่เลย แล้วคนนี้ใครจะทําอะไรไม่ได้ถ้าถ้าท่านยังทํางานตรงนั้นไม่ได้นะจะมีคนดูแลรักษาป้องกันอันตรายจะรอดปลอดภยัยไม่รโ้คนจะตายเพราะปกปักทักษะท่านไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าท่านเองจะอยู่ไปถึงวันนั้นและท่านทางานตรงนั้นก่อนถึงจะไปเรื่องแปลกเราลองดูโทน่าพราหมตรงนี้นะครับพระกับพระเจ้าตรงนี้จะามาอย่างนึกว่าอายุแกเนี่ยตอนนั้นก็ไม่น้อยนะฮะตอนที่พระเจ้านิ้ผ่านเนี่ยคงไม่น้อย กษัตริย์ทั้งหลายที่มาทราบข่าวการปริพาน์ของพระพุทธเจ้าแต่เราดูแล้วนี่เมืองไม่ค่อยใหญ่มหานาจักแห่งเดียวก็คือราชครึกข่ายพระเจ้าปเสนทิโกศลตอนนั้นก็อยู่ในการดูแลของพระเจ้าชาติตรูไปแล้วนะครับเพราะว่าพระเจ้าวิถุตภะจมน้ำตายนะระบบระบบการสืบสันติวงศ์มันบกชุ่มยุ่งนะครับรเพราะว่าปลาย ปายพุทธสมัยมันงวดขึ้นมาเยอะผู้กษัตริย์ร่วมยุคกับพระพุทธเจ้านี่สิ้นประชนมหมดไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในชุดนั้นแล้วก็สงสัยองค์หนึ่งพระเจ้าจันทรประโชยที่อุเชนีซึ่งอยู่นอกระชิมชนบทออกไปทางเหนือนะฮะว่ายังมีประชนม์อยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ต้องแก่มากแล้วนะเพราะเป็นกษัตริย์รุ่นเดียวกับพุทธเจ้าแต่ว่าที่รุ่นราวคราวเดิมพระพุทธเจ้านั้นสวรรคตรหมดที่วงคตหมดล่ะ แต่ว่าอย่าลืมว่าแปดนครแปด น, นครมาถึงต้องการทวนแบ่งพระบรมศรมขวั น, นจะเอาเลยนะมันละในเมืองเล็กนะเมืองเล็กที่ก็ไปเลยมากมายไร้ใครก็ตำบลใหญ่ๆอำเภอใหญ่ๆนะครับในสุดเมื่อไม่ยอมแบ่งมากันแปดนครแล้วในอะย่างไม่ยอมแบ่งมันเตรียมรงทรามนะ เีมจะรบแล้วแย่งประาธาตพระพุทธเจ้ากันมันมันยุ่งหน้าเอ็นดูมากเหมือนกันเนี่ยนะมาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้จะทําบุญได้เริ่มทุนด้วยบาปนี่คือความคิดมันวิปริตควาคิดมันวิปริตมากเอาไปทําอะไรเันต้องแย่งทําไมก็พูดจากันดีๆไม่ได้ถ้าดีถ้าต่อยเรืเ่อยๆพระนภามออกมาเป็นคําพูดที่ฟังแล้วขนลุกนะฟังแล้วขนลุกพูดเพราะมาก คือเป็นอมตพนะพจน์เป็นอมตะพจน์ที่ปลูกเร้าจิตสํานึกของคนทั้งหลายเรานะั้นสมเด็จพระมหาสมาเจ้าทรงแปลนะแปลไปรอดด้วยแปลไว้ไปรอดด้วยดูราคณาในก่อนเจ้าทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงฟังค่อยคําของข้าพเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามโดยส่วนเดียวอาจารย์นะ อาจารย์อาจารย์ขึ้นเนี่ยลูกจิตมันก็งอหมดแอาจารย์สอนศิลปศาสตร์พอขึ้นไป ก, ก, ก, ก็ทุกคนก็เห็นเป็นอาจารย์มันสยบได้แล้วท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นขันติวทีโรงทรงประกอบด้วยขันติและทรงยกย่องสรรเสริญขันติ การที่พวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะมาสัมปยุทประหารการเพราะต้องการแยกพระบรมสาริการราของพระองค์นั้นไม่เป็นการสมควรขอทุกท่านจงอดกลั้นอดพนแล้วมาประสานใจกันมาแบ่งกันนำพระโรมสาริกาษร์ไปสักการบูชากันโดยข้าเจ้าอาศาอัยเห็นไหมมันจะเลือกคนแล้ว เพราะจะแบ่งในเรื่องคนเรื่องยุติธรรมคนนะั้นต้องการความยุติธรรมแต่ไม่นึกว่าเราไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่คนอื่นเลยนะฮะแต่สําหรับตัวเองเราต้องการความยุติธรรมทีนี้ใครจะประสานได้ตรงนี้เราอย่าลืมตรงนั้นพระอรหันต์อยู่ทั้งหลายองค์นะฮะพระมหา ก, า ก, กัจจะประอยู่ที่นั้นไม่ใช่พระมหา ก, ากัจจะมาอยู่พระอา น, น, น, น, นอุ์พระอนุน์อยู่พระอนุรุตอยู่พระอุบาลีอยู่พระมหากัจยานะไม่อยู่ พระเทระผู้ใหญ่ที่ได้ยินชื่อเนี่ยพระอุปวานาอีกองค์หนึงได้ยินชื่อแน่นอนว่าเป็นพระยุคก่อนได้ยินอยู่สี่รูปนะแต่พระเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพันเนี่ะนะเรียงแต่ว่าท่านไม่บอกชื่อไว้เราก็ไม่รู้ว่าใครมาพระเทระระดับพระอาหนุนไปเข้าแก้ปัญหาไม่ได้เห็นไหมปัญหาขนาดนี้คนขนาดพระอาหนุนน่าจะแก้ได้แก้ไม่ได้ สํานวนศาสนาเขาเรียกว่าเป็นพวงมาลัยที่เกิด ข, ขึ้นเฉพาะคนนี้มาความปัญหาตัวนี้คนนี้แก่คนอื่นแก้ไม่ได้ใกล้ๆกับ เ, เ, เรื่องพา น, นาเกษเนี่ยนะเรื่องพระยาหมีดินพรนาคเกษปัญหาพระยามีดินคนแก้ได้คนเดียวคือนาคเกษถ้านาคเกษตรไม่แก้แล้วก็ยุ่งนาคเกษเป็นเทพบุตรุระมยอมยุติก็ต้องไปดึงลงมาเลื้งลงไปมาเกิดในโลกมนุษย์ก่อนมาแก้ปัญหาตัวนี้กันก่อน นั่นคือภาพที่แปลกภาพที่แปลกแล้วถ้าเรามองสังสารวัตรมองอะไรที่ที่ที่เคยคุยกับแม่ชีคิศอะแม่ชีคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุท่านแปดสิบาคุยแกนับถือพุทธนะฮะแกมาวัดบ่อยมามาทีาา่วัดบ่อยแล้วเอาของมาถวายสมาบ่อยแคุยคุยกันแกบอกว่าท่านเจะคุณฉันว่าโลกมันน่าจะมีคนคุมอยู่สักคนโลกมันน่าจะมีคนคุมอยู่สักคนนะ คือคือคือคล้ายๆกับอะไรมันมันก็มีอะไรหน้าหน้าคิดอยู่นะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องหน้าคิดอยู่เอ๊ะตรงนี้ถ้าไม่มีคนนี้ทํำยังไงเอาละกรุงเสีอ ย, ยุธยาแตกครั้งที่สองถ้าไม่มีพระเจ้าตากทํำยังไงครั้งงแรกเราจะเห็นว่าพระนเรศวรเกิดไม่ค่อยทันเนี่ะนะถ้าท่านเกิดทันคงไม่ช้าตั้งสิบสิบสี่ปีหรอกคงจะเร็วแต่ว่าพอดีท่านยังทรงประยอยอยู่มาก ตอ น, ตอนเสียกลุ่มนะฮะนี่ก็คือก็คือภาพที่เราที่เรามน้าคิดนะครับว่าใลรใครก็คนที่ถูกเลือกตรงนี้พระพุเจ้าเลือกแน่นอนเลือกแน่นอนไว้ว่าที่อุตสาเสด็จทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดป้องการพบกับโทนพราม์ต้องการพบกับโทนพราหมณ์และต้องการเทศโปรดโทนพราหมณ์ให้สร้างโทนพรามณ์ขึ้นเป็ น, เ ป, นเป็นพระยะสาวก แล้วจะเป็นหลักในการประนีประนมตรงนั้นพระคุณจาริพานแล้วภาษาริบุตรนิพานแล้วโมโกขารมันว้าเวนะว้าเวมากเลยนะอนาตบินติกาก็าตายแล้วพระเจ้าประเศษ น, นิโกส่ก็ที่วงโคตรพระเจ้าสุธุทนาก่อนนิพานแล้วไปกันหมดระ น, นีระนาถหมดไม่มีใครไม่มีใครที่จะเป็นหลักให้โทนพราหมณ์ก็มาแก้ปัญหาตรงนี้วิธีแก้ปัญหาท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเป็นวิธีดึงความาาเล้าฉาในีเข้ามาอยู่ในจุดเดียวคือที่ท่านก่อน าอาย่ที่ท่านก่อนในฐานะอาจารย์อาจารย์สอนพวกนั้นมองหน้าปลาก็ลูกสิษย์ทังสิทั้งนั้นอาจารย์นั้พูดได้รลยลูกศิษย์แต่คนสมัยนั้นมันมันเคารพเคารพอาจารย์มากบาดอาจารย์นะครกราบเท้าลูบหัวเนละอาจารย์ต้องกราบที่เท้าแล้วก็ลูบที่เท้าแล้วทาที่หัวเลยบาดอาจารย์กราบเคารพมากเพราะงั้นมันมั น, ม, นมันสถานะท่านเนี่ยมันให้ แล้วก็เปี่ยวเป็นคนมีอะไรล่ะคือเครดิตมีสถานะทางสังคมสูงมีสถานะทางสังคมสูงเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนบอกมนแก่พราหมณ์นังกีเท่าไรแล้วธุกรกิจกี่ชุดกี่คนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ตัวกระตุ้นนั้นก็คือว่าเอาพระพุทธเจา้าว่าเป็นหลักเห็นไหมเอาพระพุทธเจา้ามาเป็นหลัก พระพุทธเจ้านั้นเป็นขันติวาทีทรงสันเสริญขันติแล้วพระองค์ก็มีขันติทุกคนนึกออกเห็นพระเจ้าถูกด่าถูกว่าถูกประทุษร้ายสารพัดถูกเบียดเบียนไม่ใช่ธรรมดานะะเราไม่ออกมาเทศน์โยงฟังเองหรอพระเจ้าถูกเบียดเบียนยังไงบ้างกันฮะถ้าเปิดดูพระไวยปุกแล้วก็เหงาเหมือนกันเนยนะมันเล่นแรงจริงมนุษย์เนี่ยนะมันเบียดเบียนสมาชีพรามกันจริง ดูพระวินัยปิกนะฮะเอ า, ว, าว่างเอามาอ่านดูก็ได้มีแปดเล่มนั่นเองก็ก็อ่านานานหน่อยแต่ว่าค่อนข้างยากนะฮะค่อนข้างยากเพราะงะั้นตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ใช้ขันติเห็นไหมพระพุทธเจ้าวางขันติไปตั้งแต่อุวาทปฏิมุกแล้วขันติบรมังสโปติติขาหรือข้อแรกเลยเราแก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้ แต่เราอย่าไปสร้างปัญหาโดยให้เราแก้ที่ตัวเราเองเพราะงั้นพระพุเจ้านั้นส่งสันเสินขันติแต่พระองค์ก็มีขันติแล้วก็ถามพวกพวกคุณนีกำลังจะนอกครูนะเนี่ยดุนิดหน่อยนะเราจะเห็นว่าดุนิดหน่อยมันก็ตกแหลกมากเพ่าคุณกาลังกดนี่พูดเธอกำลังทำนอกครูพูดง่ายๆอย่างนั้นนะ ว่าการที่เราจะมาสัมปยุต์ประหารกันหมายความเป็ยังไงมั้ความคุณไม่มีสันติตามศาสดาพระพุทธเจ้าสรรเสริญคันติคุณออกไปนอกคำสอนสัรเสริญแล้วป่วยกายจะเอาประทาตไปทาอะไรเพราะพระทาตนั้นที่จริงมันเป็นเพียงธาตุเจนดีแต่อเองเพื่อกระตุ้นใ้เกิดสำนึกที่จะน้ อ, นอมนำธรรมะมาปฏิบัติมันไม่ใช่เอาประทาตไปแล้วจะเป็นกายเ็สิ คนคำพูดตรงนี้จะเป็นคำพูดที่สยบคนเนี่ยนะะอัตมาอ่านกี่ครั้งคัคนลุกทุกทจีโอ้บุญซึ่งจริงๆอ่านซึ่งจริงๆนะฮะอยู่ในพุทธรวัติที่จริงประโยคไม่ยาวแะสักสักครึ่งหน้ากระดาษที่พูดใครรอดจริงๆเป็นอมตพะพจน์เนียคนพูดอมตะพจน์คล้ายๆกันเนี่ย้ายๆก็่อะไรอะประชาที่ไปไตยของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน ชาวอเมริกาชาวอินเดียจงถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรแก่อินเดียแทนที่จะถามว่าอินเดียจะให้อะไรแก่เรามาตมคันธีพูดนะฮะผู้คนแรกแล้วก็เคนเนดีจอห์นฟิลนี่เอาไปหาเสียงเมื่อตอนเมื่อตอนเก็ตสมัครและประชุมเป็นประธานาธิบตีชาวอเมริกันก็ถามตัวเองว่าเราจะให้อะไรแก่แอเมริกนันแทนที่จะถามว่าอเมริกันจะให้อะไรแก่เรา เป็นคำคมนะเป็นคำคมแล้วก็เป็นอมตะพจน์หมายความมาพูดแล้วไม่ตายคนเอามาอ้างอีกมันมันไม่มีใครพูดได้ไปรอได้เท่านี้อีกแล้วนะมันอาจจะหลุดรั่วออกมาหรือว่ากลันกรองไว้ก่อนอะไรก็ตามแต่ถือว่าเป็นอมตะพจน์ท่านโทนพราหมณ์เราดูแล้วสถานการณ์ที่จรงิงค่อนข้างบีบท่านนะนะค่อนข้างคับคขันเพราะงั้นการพูดประโยคเรานี้ออกมาได้ก็ถือว่าเก่ง หลังจากการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วธนทรพราหมณ์ที่จริงท่านก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะะกรรมการชักไม่ยุติธรรมอะไรท่านแอบซ่อนพระเขียเข้ยวแก้วไว้นั่นเองซ่อนพระเขี้ยวแก้วไว้ที่มวยผมเอพระอินนี่เห็นไอ้ น, นี่ไม่ซื่อนี่วะพระอินก็เลยมาขามายต่อโธนทรพราหมณ์เข้า ม, มวยพระอินก็คมายต่อเอาไปไว้ที่จุฬามณีเจดีย์สวน แจกแบ่งเสร็จให้เพื่อนเสร็จเอ้าครามดูหายไปเจอแล้วเครื่อแก้วหายไปเจแล้วก็ท่านก็ขอตุมพระตุมพระเล็กๆนะฮะแกะแกะจอแก้วเล็กๆตัวเล็กๆที่ตักพระบรมสาริกธาตุเห็นไหมพระบรมสาริกธาตุตักตักเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดเล็กๆก็ตักตักกระตุงตักตุ้งก็กลายเป็น แก้ปัญหาระ ง, งับกรณีผิาพาดต่างๆได้นะฮะเพราะธรรมเทศนาวิธีการของพระพุทธเจ้าท่านท่านจะเห็นว่าเป็นวิธีการพุทธเวไหนยแล้วก็สร้างทั้งภาพทั้งพจนภาพกกระตุ้นตั้งแต่รอยประบาทอกระตุ้นประทับนั่งกกระตุ้นสร้างความทึ่งความอัศจรรย์ความสนเช่ปลุกร้าวความสนใจ ภาพอย่างนี้พดไปยังไงผมพดปั๊บมาถึงพูดก็งงเลยพูดแล้วงงเล ย, ลงงเลยถามอะไรก็ไม่เป็นอะไรทั้งอย่างเกิดเกิดงงการเกิดงงนั้นคือเกิดกระตุ้นร้นที่จะรู้ความจริงเห็นไหมถ้าเราพูดอะไรที่ธรรมดาธรรมดามันที่ก็ผ่านผ่านผ่านมาก็ผ่านไปคนไม่เกิดความสนใจพอมีประเด็นอะไรที่กระตุน้นกระตุ้นเร่งร้าวให้สแสวงหาข้อเท็จจริง นะคนก็เกิดความสนใจเข้ามาศึกษาประเด็นเล่นั้นแล้วก็ไม่สุดเป็นการแสดงธรรมที่เหมาะสมกับพื้นอัตยายสัยนะฮะ ถ, ถ้าพูดกับคนอื่นไม่ได้เรื่องหรอกนะเพราะว่าค่อนข้างยากนะฮะภาษาที่ค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นการสะท้อนสภาพจิตของคนที่เราเห็นได้ว่าจิตที่ฝึกมาดีแล้วมันก็เหมือนดอกบวกัวมันไม่ได้ไปไหน ก็อยู่ที่โครนดมนั่นแหละนะฮะยังเกี่ยวข้องอกับโครนดมเพียงแต่ว่าโครนดมไม่เปื้อนน้ำไม่ซึมซาบเข้าไปในกรีบของดอก บ, บัวนะจิตใจของผู้ฝึกตนดีแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแน่นอนเราคงทำไม่ได้ร้อยปซแต่ทำอะไรได้ต่ยสิบเปอร์ซนตก็ยังดีนะฮะ 20% สอร์เนก็ยังดียังยังไม่มีอะไรเนี่ยมาว่าสิบ้าเปอร์ซนตก็บุญแล้วว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเลิกซะบ้างได้ไหม นะอาเก็บสะสมความอาฆาตพยาบาทอะไรๆผูกจองล้างจองผ่านจองเวรกันเนี่ยอย่าเอาขนาดสี่บกปีแห่งความหลังเลยลืมๆืมเส้บ้างนะฮะลืมๆืมเสบ้างละเส้บ้างปล่อยวางให้จิตใจมันเบาๆโปร่ปงๆนะก็เราคงอยู่ในโลกนี้นะนะแล้วทำยังไงระวังใจให้รู้เท่าทันใจอย่ากเก็บสะสมอารมณ์ไปมากง กเก็บสะสมนะฮะเ ก, ก็บสะสมในส่วนที่ดีๆไมากเพื่อเป็นการเพิ่มพูนคุณภาพของจิตใจแน่นอนถ้าเราถ้าเราทําได้ตรงนี้ท่านเห็นว่ากามอสะวะมันก็จางคลายไปนะฮะราวะสวามันก็จางคลายไปทิฏฐานสะวะมันก็จางคลายไปอวะิชชาไม่จางคลายไ ป, ม, ยไปมันเป็นเป้าว่ะนะฮะข้ามันรู้เป้าเพราะว่าแนวธรรมะมันก็แนวแนวแนวเป้าประสงค์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่า จ, จางคลาย มันจางไปฮะมันจางไปสีมันดําดำดำมันก็ซักซักตกปรกมากมันซักพัดนะมันสะอาดขึ้นมาหน่อยมันไม่ถึงกับขาวเรียร้อยหรอกแต่มันก็ดีกว่าเดิมนะฮะเพราะงั้นทํานจึงบอกว่าขัดเกลาเห็นว่าขัดเกลาวคือขัดถูซักฟอกซักฟอกชะล้างเนี่ยฮะมันต้องเห็นความสะอาดขึ้นมาบ้างทุกอย่างเป็นเรื่องของโวหารเป็นเรื่องอุบายวิจีแต่ว่าโดยผลแล้วก็จะเหมือนกับที่กล่าวไว้ทุกๆครั้ง วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเือ